วันนี้ก็เป็นวันพุทธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่เราจะมาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้ความเความสามารถในเรื่องการสร้างพลังให้กับชีวิตจิตใจ ของพวกเราเราคงจะสังเกตเห็นว่าชีวิตของเราบางเวลาก็มีกำลังบางจะบางเวลาก็รู้สึกไม่มีกำลังท้อแท้เบื่อน่ายบางเวลาก็มีพระมีกำลังที่จะทำอะไรต่างๆนั่นก็ตบอว่าปัจจัยที่ทำให้มีกำลังใจนี้ของเรามันยัง ไม่เสถียรอยัง ข, ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เราต้องมาสร้างปัจจัยที่ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะดาเนินชีวิตของเราไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ดีงามที่สุขที่เจริญปัจจัยหรือคุณธรรมที่จะทำให้เรามีกำลังใจนี้ ก็มีอยู่ห้าปัจจัยด้วยกันคือหนึ่งศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองวิริยะความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรสามสติสี่สมาธิและห้าปัญญาความรู้ความฉลาด สมาธิก็คือความตั้งมั่นความแนว่วแน่มั่นคงของจิตใจไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบสติก็คือการควบคุมจิตใจให้เข้าสู่ความตั้งมั่นต้องมีสติก่อนถึงจะมีสมาธิได้ละการจะมีสติก็ต้องมีความภาคเพีย ความเพียรที่จะคอยเจริญสติคอยสร้างสติอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อมาควบคุมจิตใจที่เป็นเหมือนเหลิงถ้าไม่มีสตินี้จิตใจก็เป็นเหมือนหลงมันจะไม่ยอมตั้งมั่นอยู่ในความสงบในความถูกต้องดีงามมันจะไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหล ง, งต่างๆ ต้องมีความเพียรในการจะสร้างสติขึ้นมาเพื่อจะได้สมาธิแล้วจะได้ไปเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปอีกขั้นหนึ่ง mm. นี่คือและการที่จะมีความภาคเพียรได้นี้ต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่น ในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวผู้ที่ได้สร้างกำลังใจจนสำเร็จจนพาชีวิตจิตใ จ, จให้ไปสู่ขั้นสูงสุดของชีวิตคือขั้นของมรรคผลนิพพานขั้นของความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ขั้นของบรมมสุปรมังสุ g s u ัง a n g จำเป็นจะต้องมีกำลังใจที่สมบูรณ์ฉนขั้นตอนนี้จึงจำเป็นต้องมาสร้างศรัทธากันขึ้นมาให้ได้ก่อนศรัทธาในผู้ที่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วคือลำดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเรา พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าวิธีสร้างกำลังใจให้กับจิตใจของพระ อ, องค์จนสามารถยกประดับจิตใจให้อยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้หลุดออกจากใจพกหลุดออกจากสังสารวัฏ <c oughs> วัตฐแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่ไม่มีรูไม่มีวันจบวันสิ้นหมุนไปเขาเรียกว่ารูปรูปแปลว่ามันหมุนเป็นวงกลมวนมาเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือจิตใจของสัตว์โลกผู้ที่ยังไม่มีกำลังใจ ที่จะดึงจิตใจให้ออกจากแรงดึงดูดของสังสารวัฏ ส, สิ่งที่ดึงดูดจิตใจให้สัตว์โลกากิดอยู่ในในวัตฏะสงสารในตายภพ ก, ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลก ทุกๆตัวทุกๆสัตว์โลกด้วยกันสัตว์โลกนี้หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นมาจนถึงระดับสูงระดับต่ำก็คือพวกเดราชฉานเปรตเอาสื่รก า, ายพวกนรกระดับกลางก็พวกมนุษย์ระดับสูงก็พวกเทพพวกพรหม พวกป้าอาริยบุคคลบุคคลเหล่านี้มีกาลังจิตในการยกระดับจิตใจของแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเองจึงทำให้มีการไปเกิดอยู่ในระดับต่างๆกันผู้ที่ต้องการที่จะยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นไปถึงขั้นสูงสุด ก็ต้องศึกษาจากผู้ที่ได้ไปถึงขั้นสูงสุดแล้วผู้ที่ได้ไปถึงขั้นสูงสุดขั้นคนแรกก็คือพระพุทธเจ้า<ม>คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่หลังจากได้ออกบวชได้บำเพ็ญสมมณะณกิจโดยเป็นส ม, มณะโคดมจนได้บรรลุ ถึงพระนิพพานตัดสั้เป็นพระอาหารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นผู้รู้วิธียกชีวิตยกจิตใจให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของไตพบของวัฏฏสงสารของการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการที่จะหลุดออกจากไตพบหลุดออกาก ความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้วิธีที่จะยกระดับจิตใจของตอนนี้ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่จะดึงดูดจิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่ใน สังสารวัตรในไตน้ภพนี่คือบุคคลแรกที่สามารถที่จะยกระดับจิตใจของตนเองให้ขึ้นสูงถึงขั้นสูงสุดให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ใ, ใครต้องการที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมุ่งไป ศึกษาจากพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทรงตัดสัูเสร็จทรงได้หลุดพ้นจากวัฏสงสารหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดสอนผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดองค์ก็มุ่งไปสอน พวกนักบวชทั้งหลายเพเป้าหมายของพวกนักบวชก็คือต้องการยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันนั่นเองตัวพระ อ, องค์เองก็เช่นเดียวกันตัวพระ อ, องค์เองก็ไปบวชเมื่อก่อนก็ไม่ได้บวชเมื่อก่อนก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่พอไปเห็นอนาคตของร่างกายของพระ อ, องค์ว่าต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตาย พรองก็มีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวไม่ต้องการที่จะต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายก็ได้ทราบว่ามีพวกนักบวชเป็นพวกที่ไปค้นหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายและไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป พระองก็เลยต้องไปเป็นนักบวชไปบวชไปศึกษากับพวกนักบวชทั้งหลายแต่ในยุคนั้นก็ไม่มีนักบวชคนใดที่รู้วิธีที่จะทำให้จิตใจนั้นหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวร ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวด้วยการใช้การเจริญสมถะภาวนาคือ<ม>การเข้าฌานในระดับต่างๆ<ม>เวลาจิตเข้าสู่ฌานในระดับต่างๆความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตาย<ม>ก็จะหายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวก็ พอออกจากสมาธิออกจากฌานพอมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของตอนเองความทุกข์ก็กลับเข้ามาใหม่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทาให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายในขณะที่ไม่ได้เข้าไปในสมาธิเมื่อศึกษาถึงขั้นนี้พระองค์ก็เลยพระพุทธเจ้า เพื่อสมณะโคดมก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกด้วยด้วยวิธีต่างๆเช่นคิดว่าการทรมานร่างกายด้วยการอดพักยอาหารจะทำให้จิตใจนี้ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายแต่อดถึงสี่สิบเก้าวันร่างกายจะตายแล้ว ความทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายก็ไม่หายไป mm. จึงทรงรู้ว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้อง mm. mm. ก็เลยกลับมาเปลี่ยนวิธีใหม่มามาทางสายกลาง mm. Mm. Mm. วิธีดับความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายแบบคารวะก็ใช้ไม่ได้ mm. Mm. Mm. เวลาทุกข์ก็ไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสต่าง เหมือนกับสมัยที่พระองค์อยู่ในพระราชวังก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายได้พอมาเป็นนักบวชมาทรมานร่างกายด้วยการไม่รับประทานอาหารจนถึงขั้นเกือบจะตายความกลัวความตายมันก็ยังไม่หายไปพระองค์ก็เลยมองเห็นทางที่สาม คือทางสายกลางทางด้วยการภาวนาได้ดำเนินมาถึงขั้นสมถภาวนาแนละ้วยังขาดอีกขั้นหนึ่งที่ไม่มีใครรู้คือขั้นวิปัสนาภาวนาขั้นที่จะค้นหาความจริงของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ ในที่สุดพองค์ก็ทรงค้นพบพระอริยสัจสี่สงค้นพบว่าความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายหรือเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนี่เกิดจากความอยากของใจเองเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไรความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีเวลาคิดถึงความแก่ พออยากไม่แก่ขึ้นมาใจก็จะทุกขึ้นมาทันทีพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยพอพอคิดเท่านั้นก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยพอไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอคิดถึงความตายก็เช่นเดียวกันก็ไม่อยากตาย พรองก็ทรงพิจารณาต่อไปแล้วความจริงของร่างกายมันเป็นอย่างไรห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้มันแก่ห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามไม่ให้มันตายได้หรือเปล่าก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีเ้วไปอยากทำไมอยากให้มันไม่แก่เราไปทุกไปเปล่าๆทำไมสู้ยอมรับความจริงไม่ดีกว่าเลยยอมรับว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย แล้วก็ส่งค้นพบการที่จะปล่อยร่างกายได้ก็คือพบว่าร่างกายไม่ใช่ใจใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้เป็นคนละคนกันนใจที่ทุกกับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้ผู้ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกำไม่ทุกกับตัวเขาเอง ถามร่างกายทุกขนะ์ไหมเวลาแก่มันไม่ทุกข์หรอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ไมันไม่ทุกข์หรอใครทุกข์แทนเก็ใจนเขาบอกเขาสองคนเพราะว่ากายกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเวลาเข้าสมาธิจะเห็นได้ชัดว่าร่างกายกับใจนี้แยกออกจากกันพอออกจากสมาธิมันก็มารวมกัน พอ ร, รวมกันก็เลยคิดว่าเป็นตัวเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอมานั่งพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาก็เห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเอง รู้มารับรู้เรื่องของร่างกายแล้วถูกอำนาจของโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงมาหลอกให้ไปคิดว่าใจเป็นร่างกาย<ม>ร่างกายกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน<ม>พอร่างกายเป็นอะไรใจก็เลยเดือดร้อนขึ้นม า, ท, าทันทีพอคิดว่าตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกายก็เลยไม่ยอมแก่ ก็เลยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่อยากยังไงมันก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบก็เห็นว่าถ้ายังอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องทุกขไปเรื่อยๆแล้วความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่หายไปจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่จะทำให้มีความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่พอเวลาที่ไม่ได้มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเ <_ uits> ช่น pues, เวลาที่ไปทำเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอื่นตอนนั้นก็ลืมเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายไปตอนนั้นก็ไม่รู้สึกทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย 2> <_ 2> <_ <Women> จะทุกข์ก็ต่อเมื่อเวลาที่มาคิดถึงมันแล้วก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่าน ดังนั้นก็เห็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาไม่ได้คิดถึงมันเวลามันก็ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลานั้นก็ไม่ทุกข์ตอนนี้ไม่พวกเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันเพราะเราไม่คิดถึงมัน แตถ้าเวลาใดไปเจอหมอเข้าหามหมอมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หมอบอกว่าโอ้ยเป็นโรคร้ายแล้วอาจจะรักษาไม่หายเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มคิดถึงความเจ็บความตายขึ้นมาเลยพอที่ก็เกิดความกลัวเพราะอยากไม่ไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็ทุกข์ขึ้นม า, ท, าทันที<ม><ม>เพราะความอยาก เวลาที่ไม่อยากมันก็ไม่ทุกขนะ์ตอนนี้ไม่ทุกข์กับร่างกายตอนนี้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะยังไม่ได้ไปคิดถึงมันยังไม่มีอะไรมากระตุ้นให้มันคิดนะแต่พอมีเหตุการณ์มากระตุ้นให้มันคิดเนะช่นที่มีไวรัสโควิดแพร่ใหม่ๆนี่ตกใจกลัวกันไปหมดนะเพราะทาให้คิดถึงความเจ็บความตายกันนะ แล้วก็ทุกขึ้นมาเพราะไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกันแต่ตอนนี้เริ่มเบาบางลงก็เห็นว่าเออมันไม่ร้ายกาดเหมือ น, นที่คิด mm hmm. ความกลัวความเจ็บกับความตายก็เลยลดน้อยถอยลงไป mm hmm. เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมันถอยห่างออกไปแต่มันถอย สฉพาะเรื่องนี้แต่เดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นมาทำให้มันต้องคิดอีกเพอาร่างกายนี้ถึงแม้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีภัยภายนอกมันก็มีภัยภายใน อ, ยนะ<ม>อวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้มันพร้อมที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นทั้งนั้น<ม>หัวใจก็พร้อมที่จะเป็นโรคหัวใจ<ม><ม>ปอดก็จะมีโรคปอด ไตก็จะมีโรคไตตับก็จะมีโรคตับไม่ว่าอวัยวะส่วนไหนของร่างกายเมื่อมันเข้าสู่สภาพชรามันก็จะเริ่มเสื่อมลงไปแล้วมันก็จะเกิดอาการไม่ปกติขึ้นมาเวลาไม่ปกติเราก็เรียกว่าเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้วแล้วก็รักษาไปตามตามกำลัง รักษาได้มากบ้างน้อยบ้างแต่ในที่สุดก็รักษาไม่ได้ในช่วงนั้นเนะี่ยความจริงมันจะมาคอยเตือนเรื่องความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ<ม>แล้วถ้าไม่มีความสามารถ<ม>ที่จะหยุดความอยากได้มันจะทุกข์ทรมารย หยุดความอยากไม่เจ็บอยากจะหายเจ็บหยุดความอยากไม่ตายกลัวตายอันนี้ถ้าไม่ได้มาศึกษาธรรมะไม่มาศึกษาวิธี <c oughs> หยุดความอยาก <c oughs> เพื่อหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้จะไม่มีวันที่จะสามารถที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายได้เลยอันนี้แหละ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตวอรลยสัตสีว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากอยากสามชนิดด้วยกันอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายกมามตัณหาอยากมีอยากอยากหาความสุขจากความสงบในระดับรูปประชานและอยากหาความสุขจากระดับ อารูปประชานเรียกว่ากามตณาัตณหาภวตัณหาและวิภาวตณาัณหาพอมีความอยากที่จะมีความสุขจากการเสพกามมันก็อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอถ้านางกายเจ็บไปเที่ยวไม่ได้กินขนมไม่ได้กินยังไงก็งไม่อร่อยขมไปหมดไม่มีความอยากจะกินเจ็บปวดเป็นทั่วร่างกาย ดูอะไรก็ไม่สุขฟังอะไรก็ไม่สุขก็ไม่อยากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายของร่างกายก็เพราะว่าอยากจะให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อจะได้ตอบสนองความอยากในการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองนี <ont Passover> ่ะถ้าอยากจะไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ก็ต้องหัดเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมนมเยนยอะไรต่างๆสิ่งที่ดูก็สถานที่ต่างๆทั่วโลกไปทั่วโลกก็เพื่อไปดูใช่มีตาไว้ดูมีหูไว้ฟัง ฟังเสียงก็อยากจะฟังเสียงชนิดต่างๆเสียงดนตรีเสียงอะไรต่างๆเสียงแปลกๆเสียงที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมีอะไรต่างๆให้เสพอยู่ในโลกนี้ mm hmm. ต้องต้องใช้ร่างกาย mm hmm. เพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะเสพสุขได้ จึงอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่แก่อยากไม่ตายกันนี้มันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาวิธีที่จะทําให้ไม่อยากก็เลิกใช้ร่างกายมันสิให้มาอยู่แบบนักบวชกันนักบวชนี่เลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเสพสุขให้มาใช้ใจเป็นเครื่องมือเสพสุขนโดยการนำ ด้วยการทำใจให้สงบเบื mm ้ hmm. องต้นก็สงบแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรียกว่าสมาธิ mm hmm. แล้วขั้นที่สองก็ให้สงบด้วยอย่างถาวรด้วยการใช้ปัญญา mm hmm. ใ, ใช้ปัญญาสอนใจ mm hmm. ให้หยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี่เป็นตัวทำลายความสงบ เวลานั่งสมาธิจิตสงบมีความสุขพอออกมาจากสมาธิปับพออยากอะไรปกขึ้นมานี้ใจร้อนขึ้นมาทันทีเหมือนภูเขาไฟเริ่มปะทุขึ้นมาทันทีเห็นขนมอยากขึ้นมาทันทีเห็นเครื่องดื่มอยากขึ้นมาทันทีเห็นมือถืออยากจะเปิดขึ้นมาดูทันทีอันนี้แหละเป็นตัวที่ ทำลายความสงบความสุขที่ได้จากความสงบถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิถึงจะกลับไปเจอความสุขที่เกิดจากความสงบไหม่ถ้ามีปัญญาก็สอนใจให้เห็นโทษ <c oughs> ของความอยากเหล่านี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ดูไม่ฟังไม่กินไม่ดื่มขนมนมเนยก็ไม่ตาย ก็เลิกมันสอิอย่าไปดื่มอย่าไปดูอย่าไปฟังกินเฉพาะเวลาที่ร่างกายต้องการเานะั<ม>เวลาที่ร่างกายไม่ต้องการก็อย่าไปกินมันเท<ม>่านั้นเอง<ม>เราไปอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็น<ม>ซึ่งถ้าเราไม่เสพไม่ตายหรอก<ม>ดีกับจิตใจสิเองเพราะเมื่อไม่เสพมันไม่ติด<ม>ดูคนที่ติดกับคนไม่ติดเป็นไง คนที่ติดอะไรนี่พอไม่ได้เสพเลยหมดหงิดลำคาญอาลวาดไปหมดน <ะ S 1> คนที่ไม่ติดนี่เขาเฉยเฉยไม่มีเสพเขาก็ไม่เดือดร้อนนี่คือการที่เราจะ <c oughs> มายกระดับจิตให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของความอยากต่างๆนี้ก็ต้องมาเลิก การหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายนั่นเอยก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชกันไปอยู่นักบวชนักบวช ก, ก็จะถือสี่งแปดกันสิน่งแปก็จะห้ามไม่ให้เสพสุขผ่านทางร่างกายสี่งข้อสามก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกันสี่งก็หกก็ไม่ให้รับประทานนะและดื่ม ที่ไม่จําเป็นต้องดื่มอนุ ญ, ญาตให้ดื่มได้เฉพาะเพื่อเลี้ยงดูร่างกายอพอรับประทานเสร็จดื่มเสร็จก็พอแล้วไม่ต้องดื่มไม่ต้องรับประทานนะอีกแล้วจนกว่าจะถึงเวลาก็ให้รับประทานหรือดื่มให้กับร่างกายได้ไม่เกินเที่ยงวันสําหรับผู้ที่เริ่มต้นให้เอาบสองมือก่อนมือเช้ากับมือกลางวัน แต่หลังจากเที่ยงไปแล้วก็ไม่ให้ดื่มไม่ให้รับประทานอะไรสำหรับร่างกายแนละ้วถ้าร่างกายต้องการน้ำก็ให้ดื่มน้ำเปล่าๆถ้าไปดื่มน้ำที่มีกลิ่น ม, มีสีมีรสมันก็เป็นการเสพการกเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางน้ำทางเครื่องดื่ม เขาต้องดื่มน้ําเปล่าเพราะร่างกายต้องการน้ําเปล่าร่างกายเหมือนรถยนต์พอขับไปเดี๋ยวน้ํามันหมดก็ต้องเติมน้ําให้มันเติมน้ํามันให้มันร่างกายพอเราดื่มน้ําไปสักพักนึ่งไปทำนู่นทํานี่เดี๋ยวก็คอแห้งขึ้นมาบอกว่าต้องกาดน้ําลแต่เรามักจะไม่เอาน้ําเปล่ากันไหนไหนไหนไหนจะดื่มน้ําให้ร่างกายขอดื่มให้กับกามด้วยดื่มให้กับกามตันหาด้วยเอาน้ํากาแฟดีไหมน้ําโคกดีไหม น้ำส้มดีไหม <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่ายังเสพกามอยู่ยังเสพกา ม, มากตันหาอยู่ทางน้ำทางเครื่องดื่มหลืแ <c> ไ <oughs> <c oughs> ม่ก็เปี้ยวปาขึ้นมาอของขบเคี้ยวหน่อยนิดเดื่มอย่างเดียวยังไม่พอดื่มกาแฟแล้วมันต้องมี <c oughs> ขนมคบขนมเค้กบ้างอันนี้เป็นการเสพกามไม่ได้ไม่ได้เป็นการ ให้อาหารกับร่างกายไม่ได้ให้เครื่องให้น้ำกับร่างกาย <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าอยากจะละกามาตัญหาละการที่จะมาติดละการที่จะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะว่าถ้าเราละการหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายกต่อไปร่างกายจะมีกำลังวังชาหรือไม่ก็ไม่ได้ใช้มันจะเจ็บไข้หรือไม่ได้เจ็บไข้ก็ไม่ได้ใช้มันเพราะเราใช้ถ้าอยู่ขั้นสมาธิเราก็ใช้สมาธิได้ถ้าอยู่ขั้นปัญญาเราก็ใช้ขั้นปัญญา <c oughs> ถ้าอยู่ขั้นปัญญาเราก็คอยหยุดความอยากต่าง ด้วยการพิจารณาว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็ติดทำให้ต้องเสพมันอยู่เรื่อยเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเห็นทุกข์ที่จะตามมาจากการที่เราไปเสพสุขกับสิ่งต่างๆเราก็เลิกเสพมันดีกว่าหยุดความอยากไม่ทำตามความอยาก พอเราไม่ทำตามความอยากไปไม่นานความอยากมันก็หมดฤทธิเองมันก็จะไม่มารบกวนใจต่อไปคนที่เคยติดอะไรพอเวลายอยากจะทำในสิ่งที่ติดก็ฝืนไม่ยอมทำมันพอสักพักหนึ่งความอยากมันก็หมดแล้วนี้มันก็จะไม่มารบกวนใจอีกต่อไปมันจะไม่มาสร้างความหงุดหงิดสร้างความลาคาญใจ สร้างความเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหวให้เกิดขึ้นคนที่ชอบเที่ยวนี่พออยู่คนเดียวนี่รู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวขึ้นมาทันทีแต่คนที่เลิกเที่ยวได้แล้วอยู่คนเดียวรู้สึกสบายอยู่กับคนอื่นยิ่กับเบื่อวุ่นวายมากเรื่องคนนั้นก็จะวอย่างนั้นคนนี้ก็จาอย่างนี้เอาเท่าไหร่ก็ไม่พ อ, อ, อพอใจเลยทีอยู่คนเดียวดีกว่ามีความสุขกวา่า นี่แหละคือการตัดสรบของพระพุทธเจ้าว่าต้องมาหยุดความอยากให้ได้การหยุดความอยากก็แบ่งเป็นสองระดับระดับชั่วคราวคือระดับของสมาธิสมถภาวนาแล้วระดับถาวรก็ระดับปัญญาหรือระดับวิปัสสนาภาวนาต้องพิจารณาเห็นไตรลักษณ์หรือเห็นสิ่งที่จะทำให้ไม่อยาก อยากของสวยๆงามๆก็ดูเวลาที่มันไม่สวยงามพอหรือดูส่วนที่ไม่สวยงามของสิ่งที่สวยงามมันก็ไม่อยากได้ขึ้นมาเห็นคนสวยงามพอไปเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของเขามันก็ไม่อาลนถ้ามีตาทิพย์สามารถมองทะลุผิวหนังได้จะไม่เห็นว่ามีใครสวยงามมีโครงกระดูกทุกคนเนี่ยนั่งอยู่นี่ โครงกระดูกแล้วก็มีอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ข้างในมีปอดมีตับมีไตมีหัวใจมีลำไส้มีของสปปปกอะไรต่างๆที่ต้องมีการขับถ่ายออกมาอยู่เรื่อยๆถ้ามองแบบนี้แล้วความอยากที่จะเสพกามอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นมันก็หายไปต้องมองมุมกลับมอง มันความจริงที่เราไม่มองกันเทานั้นเองมันมีเราชอบมองเวลามันเจริญมันสวยงามเราไม่ชอบมองเวลามันสวยเวลามันเสื่อมมันเฉาดอกไม้นี่เห็นไหมเราไปซื้อเราซื้อที่ตลาดนี่เข้าดอกไม้บ้านเด็กบานออกมาขายไม่เคยเอาดอกไม้ที่มันเฉามาตั้งขายกันดอกไม้ที่เราปักในแจกันสามวันเจ็ดวันก็ไม่สวยละ ทำไมเราไม่มองกันทุกครั้งที่จะซื้อดอกไม้ก็กำลังซื้อดอกไม้ที่มันจะเฉานี่ยมันตั้งไว้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่กี่วันมันก็เฉาแล้วซื้อมาทําไมให้เสียเงินเสียทองไปเปล่าแต่อยากจะให้มันไม่เฉาก็ซื้อแบบพลาสติกเลยพลาสติกมันก็แต่มันก็เฉาแต่มันเฉาช้าหน่อยมันมันนานหน่อยทุกอย่างในโลกนี้มันต้องเสื่อมด้วยกันทุกอย่างยังจะเสื่อมช้าเสื่อมเร็วเท่านั้นเอง เนถ้าเราอยากจะหยุดความอยากสู้ความอยากฝืนความอยากเราต้องมองมุมกลับมองเวลามันเสื่อมอย่าไปมองเวลาที่มันบานตอนเวลาที่มันเจริญเวลามันเจริญมันก็น่าหน้าได้กันนันมองลาบยศสรรเสริญ สุขเวลามันเจริญนี้ก็อยากจะได้กันไม่มีใครไม่อยากได้เงินมากใช่ไหมมันเวลาเจริญก็เงินทองไหลมาเทมาเลยว่าเจริญราบยอดก็ตําหน่งก็เลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็วจากนายสิบเป็นนายพลจากนายพลเป็นอะไรแล้วแต่แต่ไม่มองเวลาลงมามั่งเป็นยังไงเคยขึ้นสูงสุดดีไม่ดีวันดีขึ้นดีก็ถูกปลดบ้าง ถ้าไม่ถูกปดบางทีมันครบวาระมันก็บมดอายุเหมือนยาที่มันมีวันหมดอายุตำแหน่งต่างๆทางราชการเขาก็มีกำหนดว่าหกสิบนะอายุหกสิบก็ขอคืนนะไม่มองกันพอเกษียณแล้วเป็นไงเศร้าไไส้าสาสาอยหงอยเหง า, <S <S าเวลายัางไม่ได้เกษียณนี่โอ้ยมีคนเข้ามาหาทุกเช้าทุกเย็น มีคนคอยรับใช้คอยหาสรรหาสารพัด ส, สิ่งมาให้เสพให้ดูให้สัมผัสอยู่ตลอดเวลาต่ไม่คิดถึงเวลาที่มันเสื่อมกันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงโลกธรรมท่าเรียกว่าโลกธรรมแปดเป็นสี่คู่ลาบยศรรรสรรเสริญคู่ที่หนึ่งก็คือลาบ มีการเจริญราบก็มีการเสื่อมราบ <Yeah. S 2> ตอนนี้เห็นไหมตกงานกันละนาวเลยโรงแรงปิดกันเป็นละนาวไปเลย <Yeah. S 2> มีเรียกว่าเสื่อมราบนะ <Yeah. S 2> เคยน่ธรรมดาตอนนี้จะมีคนมาเที่ยวมีรายได้กันดีทุกคนมีเงินใช้กันตอนนี้ไปรอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเดื <Yeah. S 2> อนละห้าพันแล้วก็ไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่ สเดือนเดี๋ยวก็หมดแล้วมั้ง mm. ต่อไปก็ตัวใครตัวมัน <c oughs> <c oughs> นะอันนี้มันก็เป็นมุมกลับที่เราไม่ยอมมองกันมันเลยทําให้เราหลงกับราบ mm. ยศก็หลงกันจะ <c oughs> ขึ้นอย่างเดียว mm. เป็นในสิบก็อยากจะเป็นจ่เป็นจ่าก็อยากจะเป็นในร้อยในพันในพันไปตามลําดับ mm. แต่ไม่มองว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องจบลงเสื่อมสารเสริญนก็เหมือนกันอตอนที่เราเป็นใหญ่เป็นโตมีแต่คนยกย่องสรรเสริญเยินย อ, อพอเราพนน้นอำนาจพ้นวาสนามีแต่คนดา่ดาด่าตามไปหมดสารเสริญก็มีนินทาสุขก็มีทุกข์วะะเวลาเจริญราญศสรรเสื่อก็สกกัน พอเสือมราบยศสละเสริญก็ทุกกันนี่คือสิ่งที่ใครก็ตามที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องสัมผัสจะต้องเจอกันนี่จะเจอแบบไหนจะเจอแบบโง่หรือเจอแบบฉลาดถ้าเจอแบบโง่ก็โอ้ยหลงไหลกับความเจริญคิดแต่เรื่องของความเจริญของราบยศสรรเสริญสุข เราก็ทําให้อยากจะได้ลาบยศสารเสริญสุขก็พยายามตะเกียกตะกายพยายามดิ้นลดด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ลาบยศสารเสริญสุขมากันแล้วก็ต้องมาน้ําตาตกในในภายหลังเวลาที่ลาบยศสารเสริญสุขมันเสื่อมลงไป ถ้าเป็นคนฉลาดก็เห็นทั้งสองมุมเห็นทั้งมุมเจริญและเห็นหมุมเสื่อมก็จะไม่ไปอยากได้ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปต้องหมดไปสู้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ไปดิ้นรนให้มันเหน็ดเป็นเหน่อยทาไมาาพวเราทุกคนเกิดมาเวลาเกิดมาใหม่ๆก็ไม่มีอะไรติดตัวกันมาก็าอยู่กันได้ใช่ไชแล้วทาไมพอโตขึ้นนี้พอมีกาลังวังชา พอมีความสามารถปั๊บนี่ถูกกิเลสหลอกให้ไปหาราบยศสรลเสริญสุกกันและสิแล้วเป็นยังไงแล้วก็มาเครียดกันไหมเวลาที่มันเสื่อมลงแต่ละครั้งเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, กันวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจากสิน้นจากเรื่องนี้เสื่อมก็มีอีกเรื่องใหม่มาให้เสื่อมอีกมีหลายเรื่องก็ไม่ก็ไม่เข็ดไม่จํา ก็หาใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เสื่อมเหมือนกันอย่างนีน้พอนี่ไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความคิดเอาความอยากมาเป็นตัวนำพออยากได้เลยปั๊บนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะดิ้นตายไม่ใช่เไรก็เลยทนทนกับความดิ้นของใจไม่ไหวเลยต้องยอมมันมันอยากจะได้แล้เอาไปแล้วอไอ้เรื่องเวลามันเสื่อมค่อยว่ากันทีหลัง ตอนนั้นก็เตรียมปืนไห้กระสุนลูกเดียวบางคนก็คิดอย่างนี้ก็มีใช่ไ้ยตอนนี้ฉันขอให้มันให้สุดๆกันแล้วพอถึงเวลาก็เอาเตรียมกระสุนไม่ลูกเดียวป้องเดียวจบแต่มันไม่จบสเพราะความอยากมันก็ยังมีอยู่ในใจอยู่มันก็ไปหาที่เกิดใหม่ ก่อนจะไปหาที่เกิดใหม่ก็ต้องไปทุกข์กับการฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะเวลาฆ่าตัวตายนี่มันไม่สุขหรอกถ้าคนสุขไม่มีใครอยากคิดฆ่าตัวตายหรอก mm hmm. มันเวลาฆ่าตัวตายนี่มันไม่รู้จะทุกข์ขนาดไหน mm hmm. แต่มันความโง่มันไม่คิดไม่เป็นมันก็อยากคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหนีความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ในขณะนั้นแต่มันกลับไปเพิ่มความทุกข์ในใจเพิ่มขึ้นจากการฆ่าตัวตายขึ้นมอาอีกแก่ แล้วก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาทำแบบเก่าอีกนะกลอบมาก็วิ่งหาลาบยศ ส, สิรสุกเหมือนเดิมลนะแล้วเดี๋ยวพอพอเสื่อมลงก็เตรียมตัวฆ่าตัวตายอะไรอย่างเนงะี้ยท่านถึงบอกว่าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งก็จะไปฆ่าตัวตายห้าร้อยครั้งเพราะมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เคยใช้มาแต่ไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหา มันเป็นวิธีสร้างปัญหาใหม่สร้างการฆ่าตัวตายครั้งใหม่ต่อไปวิธีที่จะไม่ฆ่าไม่ไม่สร้างปัญหาของการฆ่าตัวตายก็อย่าไปฆ่าตัวตายต้องใช้วิธีของพระเจ้ามาหยุดความอยากกันถ้ามันทุกข์มันไม่รู้จะไปไหนแล้วเข้าวัดกันไป<ม> เ, ขาาเข้าหาวัดเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาแล้วจะมีกาลังใจ ที่จะดาเนินชีวิตต่อไปในรูปแบบใหม่เคยมีเคยใช้ชีวิตแบบผู้ฟ้าแบบหรูหลาทีนี้ก็เรามาใช้ชีวิตแบบสมะถะเรียบง่ายหยุดการอ า, อาศัยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเรามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมจเจริญสมะถะภาวนาหาความสุขจากความสงบของใจแบบชั่วคราวก่อน เราก็มาหาความสุขแบบถาวรจากการใช้ปัญญาสอนใจทุกครั้งที่เวลาเกิดความอยาก<ม>ก็ให้ตัดมันด้วยปัญญาให้มองเห็นให้ดูเวลาที่มันเสื่อมของทุกอย่างที่เราได้มานี้ที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันต้องมีวันเสื่อมเวลามันเสื่อมความสุขที่ติดมากับมันก็หายไปพอไม่มีความสุขใจก็เหงาใจก็ทุกข์ขึ้นมา ถ้าถ้ารู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปหามันดีกว่าะตอนนี้เราก็ไม่ทุกข์อะไรความอยากมันเพียงแต่โผล่ขึ้นมาร่อใจเราทั้งเองพอเรารู้ทันปั๊บไม่ทําตามความอยากเราก็อยู่กับความสงบอย่างสบายอคอนที่จะหยุดความอยากได้ต้องมีความสงบก่อนอถ้าไม่มีความสงบมันไม่รู้จะไปตรงตัวไว้ตรงไหนมันมันไม่มีที่หยุดเลย ถ้ามีความสงบนี้มันรู้ว่าเอถ้าไม่ไปทําตามความอยากไม่ตายหรอกเพราะเรามีความสงบมีความสุขจากความสงบเราก็อยู่กับความสงบไปแต่ถ้าไม่มีความสงบเคยอยู่กับความความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ต้องคอยหามามาเติมอยู่เรื่อยๆมันก็จะหยุดไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้อนี่คือเรื่องของ การมาสร้างกำลังใจให้กับใจของพวกเราที่บางทีก็ท้อแท้เบื่อหน่ายหมดกำลังสติกำลังใจเพราะเราไปเจอช่วงที่มันขาลงของลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเองช่วงขาลงนี้รู้สึกอวยเด่นเหน่อยเมื่ อ, ลอยล้าทำยังไงก็ไม่สุขทำยังไงก็ไม่รวยทำยังไงก็ไม่เจริญก้าวหน้าลุกเรือง มันก็เลยทําให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายหมดกําลังใจขึ้นะอเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกว่าเราต้องยูเทินเราไปผิดทางไม่ใช่อะไรหรอกทางที่เราไปนี่มันเป็นทางสู่ความท้อแท้เบื่อหน่ายมไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องเจอความท้อแท้เบื่อหน่ายเพราะว่าสิ่งที่มันให้ความสุขกับเรานี้มันจะเสื่อมมันจะหายไปมันจะหมดไป แล้วการหาความสุขก็จะรู้สึกยากเย็นจนทำให้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาไม่ใช่ทางไปทางไปนี้ต้องย้อนกลับมาอีกทางหนึ่งมาทางแห่งการทำทานรักษาศีลภาวนาทานศีลภาวนาทำทานถ้ามี มีฐานะการเงินการทองไม่มีก็ไม่ต้องทำรักษาสินไปเลยรักษาศิน ก, ก็ถ้าจะไปภาวนาเพื่อให้ความให้มีความสุขจะได้มีกําลังใจจะได้ไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายกับชีวิตก็ต้องไปถือสินแปะถือสิแปะหยุดห้ามใจไม่ให้ไปเสพสุขผ่านทางร่างกาย จะเป็นเพียงตั้งกรอบเอาไว้ยังไม่ได้หยุดความอยากที่จะเสกเสีลนี้ไม่สามารถทำลายความอยากเสกรูกเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เพียงแต่ break, เบรกันไว้นเือล้อมคอกมันไว้ห้ามมันไว้เป็นไม่ให้มันไปเสกแต่เผลอๆบางทีเสียนก็ขาดได้ถ้าความอยากมันแรง เมือนกิเลตัวไหนมันใหญ่มันวัวตัวไหนมันมีแรงมากล้อมคอกให้มันบางทีมันก็พังคอกออกไปได้ทันใดความอยากตัวที่มันไม่แรงมันก็อยู่ในกรอบของสีนได้ตัวไหนมันแรงเดี๋ยวก็สินขาดไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระกับมันกันเป็นพระบางทีเจอตัวความอยากตัวแรงๆก็ลาศินขาดออกไปได้ เซ็กไปได้โยมก็ข อ, อกลับบ้านถือศีลแปดได้สวันเจ็ดวันก็พอแล้วข อ, อกลับบ้านบางคนก็อยู่ได้นานอยู่ได้เดือนได้สองเดือนสามเดือนก็มีแต่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ไปเจอตัวใหญ่ๆเขานะถ้าใช้ศีลอย่างเดียวก็กสู้ไม่ไหวแต่การมีศีลมันเป็นการล้อมคออไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปไล่จับกิเลส ตันหาความอยากเห็นต้องไ ป, ไปวิ่งตามตามผับตามบาร์ดึงมันกลับมากลับมานั่งสมาธิแต่ถ้าพอถือศีลแปดแล้วมันไม่ไปอะไรมีข้อมีร้อมเลยนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันไปไม่ได้นะมันศีลห้ามไม่ห้ามอนยะ่งจะไปบาร์ไปผับได้แต่อย่าไปดื่มก็แล้วกันถ้าไปบาร์ไปผับจะไปเล่นการมานั้นก็ไม่ได้ห้ามจริงๆศีลห้ามไม่ได้ห้าม ก็ยังไปได้แล้วไปงานงานงานนั่นงานนีไ่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่าไปได้เวลาจะจับมันมาทําให้มันสงบนี้มันก็เหนื่อยเลยต้องไปไล่ตามมันมาเหมือนถ้าไม่ล้อมคอกสัตว์เลี้ยงหรือวัวพวกนี้ไว้เวลาจะจับมันมาให้มารวมกันนี่โอ้โหมันไปอยู่คนละทิศคนละทางก็ต้องไปวิ่งจับกันแต่ถ้ามีคอกล้อมไว้มันก็ ไปไม่ไกลหยุดจับมันได้ง่ายความยากก็เหมือนกันเราต้องอาศัยสีงเป็นอคอกล้อมันไว้ขั้นแรกก่อนเพื่อที่จะจับมันมามัดให้มันอยู่นิ่งๆให้ได้เพื่อจับมันมานั่งสมาธิอพอถือศีลแล้วมันก็จ ะ, ะมีเวลาที่จะเอามา เจริญสติเอาจิตมาเจริญสติเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากก็จะสามารถนั่งสมาธิกันได้เจริญสติกันได้พอก็จะไม่มีภารกิจอะไรให้ต้องทำนอกจากภารกิจส่วนตัวคือการดูแลร่างกายรับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดที่อวัสัยท่านั้นเองนอกนั้นก็ เอามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติมานั่งสมาธิและในขณะที่ทาภารกิจส่วนตัวก็เป็นเวลาที่สามารถเจริญสติปฏิบัติธรรมได้เช่นเดียวกันทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่ทาเป้าหมายคือคอยหยุดความคิดต่างถ้าเราคอยดูงานที่เราทำอยู่จดจอ่ออยู่กับงานอยู่กับ ก, บการเคลื่อนไหว ของร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเรามีสติแล้วพอเวลามานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นหนึ่งได้สงบขึ้นมาเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ใจถอนวิญญาณทั้งห้าออกจากตาหูจมูกิืนกายให้เข้ามารวมอยู่ในตัวรู้ตัวเดียวให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ตอนนั้นใจก็จะนิ่งจะสงบจะเย็นจะมีความสุขมาก มีโอเบกขามันเป็นเพียงแต่ว่ามันอยู่ได้ชั่วคราวสั้นบ้างยาวบ้างขึ้นอยู่กับกำลังของสติสาหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่มันก็จะอยู่ได้ไม่นานครัครั้งแรกก็อาจจะแบบนกกระจอกกินน้ำ ห, หรืองูแล้วรวมตัวปับ๊บแล้วก็เล่งออกมา เพราะแรงของกิเลสมันยังคอยดันให้ออกมาความอยากมันยังดันให้เรากลับมาหาร่างกายมาหาต า, า, าหาูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้แต่พอฝึกสติไปเรื่อยๆนั่งสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเ ข, านานานเข้านานเข้านานเข้าเวลามันรวมแต่ละครั้งมันก็จะเริ่มตั้งได้นานขึ้นต่อไปก็ห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาที ส5บห้านาทีชั่วโมงมันก็จะนิ่งสงบสบายช่วงนั้นก็เหมือนกับขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นความสุขในโลกนี้ความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริอจากรูปเสียงกลิก่นรสต่างๆสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้นัดติสันติพลังสุ ข, ขังสุขเืิที่เหนือกว่าความสงบไม่มี อันนี้เป็นผลจากการที่รักษาศีลอย่างเข้งขดแล้วก็มันจะดนสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอ ล, ลืมตาขึ้นมาก็ควบคุมความคิดเลอใช้ดึงให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายดูเอเริยบทของร่างกายว่าตอนนี้อยู่ในท่าไหนกำลังอยู่ในท่านอนกำลังจะลุกกำลังจะยืนกำลังจะเดิน ไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายรูกยืนเดินใจก็ไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าไปกินอะไรดีเช้านี้ไปถึงนู่นก่อนแนละ้วถึงโรงครัวก่อนแนะล้วร่างกายยังอยู่แค่บนเตียงเลยแต่ใจเป็นถึงโรงครัวแนละ้วต้องให้มันอยู่กับร่างกายไปอย่าให้มันไปคิดถ้าทําอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่คิดให้มันจดจ่ออยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมเมื่อไม่คิดมันก็จะค่อย ค่อยๆสงบ ม, มันก็จะถอนอวิญญาณทั้งห้าออกจากตาหูจมูกเลิ้นกายมารวมอยู่ในใจตัวเดียวนั้นมารวมอยู่ในตัวผู้รู้ตัวเดียวอันนี้เป็นขั้นตอนขั้นแรกของการที่เราจะมาเลิกใช้น่างกายกันเพื่อที่เราจะได้หยุดการมาตัณหาได้พอเมื่อเราสามารถมีความสุขจากการทําใจให้สงบได้ เราก็เลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพนแต่ว่าเลิกได้เป็นพักๆชวพักที่อยู่ในสมาธิพอเวลาออกจากสมาธิมาถ้าเผลอเมื่มอไหร่สติเผลอเมื่มอไหร่ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เกิดความอยากขึ้นมาได้เพราะความอยากไม่ได้ถูกทำลายด้วยการเข้าสมาธิความอยากนี้จะต้องถูกทาลายด้วยปัญญาเท่านั้น เพราะความอยากมันเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่อยากได้ว่ามันนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเอง มึงต้องใช้ปัญญามาปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่งว่าทำตามความอยากปับ๊บเนี่ยมันจะติดติดแล้วต้องทำอยู่เรื่อยร่างกายนี้ตายไปก็จะไปหาน่างกายนิหมมาทำต่ออีกแล้วทำได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทำแล้วก็ต้องทำอีกเวลาไม่ได้ทำก็ทุกข์บางทีทุกข์จนะทั่งอยากจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาก็ลับมาเกิดใหม่ เหตนวิธีแก้ปัญหาก็คือเนี่ยต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นการไปหาความทุกข์เป็นการพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดกันต้องหยุดมันต้องหยุดด้วยการมองให้เห็นมุมกับมองในส่วนที่ไม่ดีของที่เราอยากได้มองเวลามันเสื่อมวางเวลาที่บันดับ อย่าไปมองเวลาที่มันจเจริญเวลาจเจริญเวลามันเกิดนี่ดีใจกันต้องดูตอนที่มันดับแล้วมันจะเสียใจมันก็จะทําให้ไม่อยากได้ขึ้นมามันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปพอเราฝืนความอยากได้ทุกครั้งความอยากมันก็หมดฤทธิ์มันก็จะไม่มาสร้างความรู้สึกอะไรไม่สบายใจต่างๆให้กับเราเราก็อยู่อย่างสบายอยู่กับความสงบ แม้แต่ความสงบเราก็ไม่ต้องไปอยากต่อไปพอเราเริ่มอยากการได้เราก็จะไปอยากกับความสงบจะไปติดความสงบเราก็ต้องพิจารณาความสงบมันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันเวลาเข้าสมาธิมันก็สุขเวลาออกมามันก็หายไปก็อยากจะกลับเข้าไปใหม่ีเวลาไม่ได้เข้าไปก็ทุกข์อีกนี่ก็ พอถึงขั้นนั้นพอเราเลิกเศษกรรมได้ขั้นต่อไปเราก็ต้องมาเลิกเลิกเศษความสงบที่ได้จากรูปฌปานหรืออารูปฌานต่อไปอเพราะว่ามันก็เป็นตายรักเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันอันนี้เป็นขั้นขั้นขั้นแรกก็หยุดความอยากกามาตัิหาได้ก่อนแล้วก็มาหยุดความอยากในรูปฌปานการอารูปฌปานที่เรียกว่าภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาต่อไปอ ก็พิจารณาเหมือนกันรูปประชานรูปประชานก็ไม่เที่ยงต้องคอยเข้าอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เข้าก็ไม่รู้สึกขาดอะไรไปรู้สึกไม่มีความสุขพอต่อไปเวลาอยากจะเข้าก็ไม่ต้องเข้าอยากจะสงบก็ไม่ต้องสงบ้องอยู่เฉยๆดูอยู่โดยไม่มีความอยากอยู่อยู่ซิว่าจะเป็นงไงเราลุน้นผลนึงหนึ่งเวลาไม่มีความอยากในรูปเสียงกิน่นก็สบายกว่ามีความอยาก กับรูปเสียงกลิ่นรสก็เช่นเดียวกับความอยากได้รูปประชานกับรูปประชานก็เหมือนกันออพอเรารู้ว่าความอยากได้รูปประชานถึงแม้จะให้ความสุขกับเราแล้ว เ, เราเข้าไปแต่เวลาออกมามันก็จะทําให้เรารู้สึกตั้ง ว, งว้างเปล่าเปลี่ยวช่วยอย่ออยาไปอยากมันดีกว่าอย่าไปเข้ามันดีกว่า<อ>ถึงช่วงนั้นก็ไม่ต้องเข้าฌานสามารถ หยุดความอยากเข้าฌานได้พอค ว, ความอยากจะหยุดอยากจะเข้าฌานหายไปที่ใจมันก็ยิ่งสบาย ย, ายิ่งเบาขึ้นมาทันทีไม่มีตัวอยากมาววรบกวนใจอีกสองตัวลดไปตัวหนึ่งนะตา ม, มาตันหาผมก็มาลดตัววิภาวะตัญหาแล้วภาวะตัหาด้วยการพิจารณาว่วา ชาญทั้งรู ป, ปรชาญและรู ป, ปรชาญ น, นี้มันก็เป็นไตรลักเหมือนกับรูปเสียงกิดนนดก็เป็นไตรลักพอไปอยันแล้วมันก็ไปติดมันเวลาไม่ได้เสพมันก็ทุกข์อันนี้พอเลิกเสพได้เลิกเสพ ร, รู ป, ปรชาญเลิกเสพมาลู ป, ปชาญ ไ, ด, ได้ไม่ติดหรือไม่ติด ยังเสพได้แต่เสพแบบไม่ติดรูปเสียงกลิ่นน้ก็ยังเสพได้แต่เสพแบบไม่ติดใครเอาขนมมาให้กินก็กินใครเอาเครื่องดื่มมาให้ดื่มก็ดื่มแต่ไม่ติดพอเวลาไหนไม่ไม่มีก็ไม่คิดถึงมันไม่เคยอยากจะได้มันพระมันไม่ติดอันนี้คือใจที่ถอนความอยากทั้งสามอาให้หมดไปจากใจแล้วใจมันจะ ว่างจะเย็นจะสบายจะสงบจะสุขตลอดเวลาไม่หิวกับอะไรแต่ที่ต้องกินต้องดื่มก็เพื่อร่างกายไปเลี้ยงดูร่างกายไปตามความต้องการของมรแต่ใจจะไม่เคยสัรหาไม่เคยฝ่ายคว้าไม่เคยคิดถึงขนมนมเ น, มนยคิดถึงเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้ไม่เคคิดถึงชานรูปประชานหรืออรูปประชานเข้าชานก็ได้ไม่เข้าชานก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร เพราะความสงบที่ได้จากการไม่มีความอยากมันเหนือกว่าความสงบของรูปฌปานกลางรูปฌานเราเรียกความสงบนี้ว่า น, นิพานเนี่ยนิบานังปรมังสุขขังสุดยอดของความสุขก็คือพระนิพานนิพานก็คือการสิ้นสุด ข, ของความอยากทั้งปวงที่มีอยู่ในใจใจไม่มีใจก็เลยเป็นปรมังสุขขังเป็นเป็นประมังศูนยอย่างเป้นเนือ สูญจากความสุขทั้งทั้งสามประการนี้สูญจากความอยากสูญจากอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆมันถูกทําลายไปหมดใจก็ว่างตลอดเวลาไม่มีความรู้สึกอะไรกับอะไรทั้งสิ้นรับรู้แล้วก็เฉยๆเหมือนเหมือนหยดน้ําบนใบบัวสัมผัสกันรับรู้กันแต่ไม่ซึมซาบ ไม่เหมือนกับจิตของผู้ที่ยังมีความอยากพอเห็นอะไรปับ๊บไม่รู้เฉยๆอยากได้ขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากได้ก็อยากหนีไปเจอของไม่ดีก็อยากหนีไปเจอของชอบก็อยากได้อย่างจะให้รู้เฉยๆไม่ได้อดไม่ได้คนไปอ๋ อ, อฉันไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งเฉยๆ ไ, ไปดูเฉยๆไม่เฉยหรอกพอดูไปดูมาอ๋อหิยวกลับมาบ้านแล้วมดกี่ถุง เพราะใจมันยังมีความอยากนี่คือการสร้างกำลังใจถ้ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเชื่อแล้วทำามทำตาๆได้ถ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่มีความสูงที่สูงสุดเราก็จะมีศรัทธาที่จะทําตามคําสอนของท่าน ก็จะมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมามความเกลียดชันต่างๆ<ม>หายไปหมดในเวลาที่เราปฏิบัติแล้วช่วงไหนรู้สึกว่าท้อแท้เบื่อหน่ายด้วยฟังเทศฟังเทศฟังทางศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าว่างฟังเรื่องของภาษาโลกบ้างฟังคําสอนของท่านบ้างแล้วมันจะทําให้เกิดมีกําลังใจขึ้นมามีความเพียรขึ้นมาที่จะปฏิบัติต่อปฏิบ<ม>ัต<ม>ิสติสมาธิและปัญญา พอมีสติสมาธิปัญญาใจก็เป็นใจที่กล้าหาญเป็นใจที่มีพลังไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนี่คือวิธีสร้างกำลังใจให้กับตัวของพวกเราทุกคนอย่าไปสร้างกำลังใจด้วยการไปดื่มเครื่องดื่มชูกำลังบางคนก็ดื่มกาแฟจะได้มีกำลัง มันเป็นกําลังเดียวเดียวแล้วก็ติดพอเวลาไม่ได้เสพทีนี้กําลังหายไปหมดเลย อ, อยา่าไปเสพ ม, มาสร้างกําลังใจด้วยการเติมศรัทธาให้มีเข้มข้นมากขึ้นเพื่อจะได้มีความเพียรที่เข้มข้นมากขึ้นมีสติมีปัญญามีสมาธิที่เข้มข้นตามมาตามลําดับต่อไปอการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 สัพพิติโยวิวัจฉานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศิลิสะนิจังวุธาปจายีโนจตารโหธรมมวทานติอายุวนุสุขังภาลาง ่วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟซบุ๊ก517ยูทูบ196วิทยุออนไลน์8และซูม7รวมทั้งสิ้น728ท่านค่ะอถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้เลย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะดิฉันมีคำถามอยากจะเรียนถามและขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ค่ะดิฉันมีแฟนที่บวชอยู่และบวชมาหลายปีดิฉันยินดีกับการบวชและไม่สึกของท่านดิฉันไม่อยากจะเป็นมารของท่านไม่ว่าด้วยช่องทางใดๆตัวดิฉันยังรักท่านอยู่เช่นเดิมแต่จะบวชไม่สึกเลยดิฉันก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยน ใจไปไหนแต่ตรงกันข้ามคือทำอะไรจึงจะสามารถสร้างบา ร, รมีให้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นคู่บา ร, รมีงดงามได้ค่ะโดยปกติีิฉันครองสินหและถือสินแปเป็นบางโอกาสโดยเรื่องที่ติดนั้นก็คือเรื่องของความรักนี่ละค่ะจะเลิกรักนั้นไม่ได้เลยสิ่งใดสิ่งที่ตั้งใจทำนั้นอยากสร้างบา ร, รมีด้วยในะขณะที่ท่านโบสนี้ค่ะขอคาชี้แนะจากพระอาจารย์ค่ะ ก็ต้องฝืนใจต้องบังคับใจอย่าไปดูอย่าไปเจอกัน<ม>ถือว่าตายจากกันไปแล้วก<ม>ารบวชนี่ถอือว่าเป็นการตายจากสถานภาพเดิมจากการเคยเป็นสามีภรรยา<ม>ก็กลายเป็นพระไปแล้วเห็น<ม>ไม่ควรที่ยังไปคิดว่าเป็นสามีเป็นภรรยากันอยู่<ม>คิดว่าเขาเป็นพระ เราเป็นคารวาสเราก็เป็นเพศตรงกันข้ามที่ไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรใกล้ชิดควรจะดูแบบของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ออกบวชแล้วนี่ไม่ไปยุ่งกับศีกาเลยไม่ยุ่งกับลูกเลยหกปีด้วยกันมุ่งไปสู่การปฏิบัติอย่างเดียวศีกาก็ไม่มาลบกวน เราปล่อยให้ท่านได้บำเพ็ญของท่านอย่างเต็มที่เราก็เช่นเดียวกันท่านบวดแล้วก็ควรที่จะปล่อยให้ท่านไปทางของท่านเราก็ไปทางของเราถ้าเราอยากจะไปทางเดียวกับท่านก็เราก็ไปถือสิงห์แปดไปปฏิบัติไปอยู่วัดแต่ควรจะไปอยู่คนละวัดอย่าไปอยู่วัดเดียวกันเดี๋ยววัดเดียวกันก็มาคอยปนปิบัติกันไปปนไปปน ม, ม้ํารูจ้จะไม่รู้ปนแบบไหน เพราะกามันยังมีอำนาจอยู่ในจิตใจอยู่เน้นต้องตัดใจถึงจะตัดได้ถ้าไม่ยอมตัดใจยังอ้อยองอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะตัดได้ต้องดูแบบฉบับอันเลศิศคือพระพุทธเจ้าของพวกเราหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลา ย, ยามีสามีภรรยาคู่หนึ่งท่านก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเป็นเศรษฐี ของชาวนาชาวไร่เป็นชาวนาชาวไร่แต่เป็นระดับเศรษฐีมีวัวมีควายมีไร่มีบ้านมีทรัพย์แต่ไม่มีลูกแล้วท่านทั้งสองคนก็สนใจในการปฏิบัติธรรมท่านเลยตัดสินใจสละทรัพย์ทั้งหมดยกให้คนอื่นไปใครอยากได้อะไรก็มาขอไปใครอยากได้วัวควายก็ขอไปก็ให้ใครอยากไดนาก็เอาไปใครอยากได้บ้านก็เอาไป ตัวท่านทั้งสองคนมุ่งไปสู่การบวชภรรยาก็ไปบวชชีสามีก็ไปบวชพระแต่ไปคนละทิศกันไม่ไปทิศเดียวกันสามีไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเดนในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ประดุกท่านกลายเป็นพระาธาตุพระอาจารย์พรมรู้สึกจะเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนที่อยู่เชียงใหม่ ไคศึกษาประวัติมาใคยได้ยินข่าวหลวงปู่พรมส่วนภรรยาท่านไม่ทราบว่าบรรลุขั้นไหนหรือเปล่าไม่ได้มีการกล่าวถึงอันนี้จากหนังสือปฏิปทาที่หลวงตาท่านเขียนขึ้นหลวงตามหาบัวท่้อ่านได้คำถามต่อไปจากคุณพันธนิตค่ะกรับนมัสการครับพระอาจารย์ ผมขอสอบถามเรื่องการปฏิบัติครับตอนนี้ผมใช้ลมเป็นเครื่องระลึกให้เกิดสติครับทุกครั้งที่ระลึกลักษณะลมที่มากระทบที่เป็นปัจจุบันความจริงก็จะเห็นว่ามีตัวผู้รู้ลักษณะนี้อยู่และขณะที่รู้สึกว่าตัวหรือร่างกายไม่มีมีแต่ตัวธาตุลมกับตัวที่รู้อยู่พอรู้แบบนี้บ่อยๆมันเกิดความรู้สึกโฟล์ไปกับธรรมชาติครับไม่มีความรู้สึกติดค้างหรือติดต้องติดข้องครับมันเป็นความโฟล์ไปกับธาตุครับ อย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับถ้ามันยังไหลยอยู่ก็ไม่ถูกต้องเนะเพราะเราต้องการให้ใจมันนิ่งใหเราไม่ควรที่จะไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาควรให้อยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียว ย, ย, ย, ยึดยึดยึดเกาะกับลมไว้เหมือนเราลอยอยู่ในแม่น้ําลําทานกระแสน้ามันไหลามาถ้าเราไม่มีอะไรยึดเกาะเราก็จะไหลไปกับมันะ อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันพอไม่เกาะกับลมมันก็ไหลไปกับอาการต่างๆแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ถูกต้องการให้ใจนิ่งใจว่างใจสงบใจปราศจากอารมณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆถ้าอยู่กับลมไปอย่างเดียวลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไปเฉยๆแล้าเดี๋ยวมันจะเข้าพาเข้าไปสู่ความว่างความสงบ คำถามต่อไปจากคุณสุภาวดีค่ะขอกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับ <c oughs> หากญาติโยมชาวมาลเลเซียประสงค์จะไลฟ์ซูมกับพระอาจารย์ปกติควรจะเข้ามาในลิงก์กี่โมงคะจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นธรรมะสำหรับชาวต่างชาติกี่โมงคะขอบพระคุณค่ะโอ้ยนี่มันเป็นเรื่องธรรมะจัดสรรนะมันเหมือนกับฟ้าแลบน เวลาฟ้ามาาันจะแลบนี่ไปไปกาหนดเวลาไม่ได้ฉะนั้นก็ถ้าอยากจะถามคำถามก็ให้ส่งข้อความเข้ามาในทางไปไปที่รู้สึกในเว็บไซต์พาสุชาติ .com จะมีที่ให้ติดต่อส่งคำถามเข้ามาแล้วก็ประมาณเดือนละครั้งก็จะมีการเอาคำถามเหล่านี้มาตอบ เสร็จแล้วก็จะบันทึกไว้ใน YouTube ให้ไปเปิดดูได้ต่อไปเช่นคราวหน้าก็จะมีการตอบคำถามในวันอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็วันนี้วันที่17ก็ยีบเอ็ดนี่ย 28. ถ้าจะดูสดก็ดูได้ตั้งแต่สามโมงไปวันอาทิตย์ที่ส่งคำถามยังทันอยู่ตอนนี้ถ้าส่งคำถามเข้ามาให้เขาเข้าไปที่เว็บไซต์พระสุชาต .com แล้วจะมีที่บอกคอนแทคติดต่อ เ้าจะมีอีเมลให้ส่งอีเมลไปส่งคำถามไปไแล้วก็ถ้าอยากจะฟังคำถามสดก็มาวันอาทิตย์เนี่ยวันที่21 เ, เนี่ยก็จะสามารถฟังได้ตั้งแต่ช่วง3บ่าย3โมงไปจนถึงประมาณเกือบ4โมงด้วยกัน3โมง4 5และเรื่องซูมนี้เป็นเรื่องของว่าเป็นเป็นเหมือนกับเป็นขนมก็แล้วกันไม่ได้เป็นอาหารหลัก เพราะว่ามันไม่สะดวกที่จะมากำหนดเวลาอะไรต่างๆให้กันเวลาของแต่ละคนมันไม่ไม่เท่ากันแล้วความสะดวกความว่างมันไม่เท่ากันดังั้นก็เลยอย่าไปกังวลกับเรื่องซูมเลยนะถือว่ามันเป็นเป็นของของแถมก็แล้วกัน กับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมมีลูกสาวอายุสองเดือนยี่สิบสี่วันมีบอดูทักว่าชื่อไม่ดีให้เปลี่ยนใหม่ไม่งั้นถ้าตอนอายุห้าเดือนจะเป็นมีปัญหาเรื่องลำไส้ผมไม่ค่อยเชื่อแต่ย่ากับยายจะให้เปลี่ยนชื่อผมค ว, ควรทำอย่างไรดีครับก็ไปถามคนที่ติดคุกถิว่าเปลี่ยนชื่อแล้วออกจากคุกได้ปะมันไม่ได้หรอกเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ชื่อเป็นเรื่องของชื่อ ชื่อไปไทยก็ตั้งได้ชื่อในดีใชชื่อในบุญแล้วก็ไปติดคุกมันไม่ได้ติดคุกเพาชื่อมันติดคุกเพราะการกระทำนั้นร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นวิบากของกรรมที่เราทํามาในอดีตมีทั้งดีทั้งชั่วปนกันไปปนกันมามันก็เลยมีผลกระทบต่อให้ร่างกายเราเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันบางคนยก็โรคภัยมากบางคนก็โรคโภัยน้อย บางคนก็อายุสั้นบางคนก็อายุยืนอันนี้ไปเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งก็ไม่มีไม่มีไปเปลี่ยนความจริงของกดแห่งกรรมได้ควาวิบากกรรมได้งั้นมายอมทําใจยอมรับความจริงดีกว่าแล้วก็พยายามรักษาเขาไปตามกําลังของเราถ้าเป็นบุญของเขามันก็อาจจะหายได้ถ้าเป็นบาปของเขาก็เขาก็ต้องรับผลบาปของเขาไปเนีย่ยเวลาไปทําเขาไม่คิดเนี่ เวลาไปฆ่าเขาเวลาเบียดเบียนกันแค่้งคนอื่นไปทุบตีคนอื่นไม่คิดถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องกลับมารับผลบางเป็นอะไรมันก็เลยเยฉะนั้นก็ถ้าจะป้องกันอนาคตก็ป้องกันได้แต่แต่อดีตนี้เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ถ้าไม่อยากให้ถ้าอยากให้อนาคตของเราดีขึ้ น, น, นก็พยายามทำดีอย่าทำบาป เราต่อไปชีวิตร่างกายของเรามันจะมีปัญหาน้อยลงคำถามต่อไปจากอาจารย์รบค่ะช่วงนี้ร่างกายป่วยจิตตกทั้งวันดึงไม่ขึ้นเลยครับควรทำอย่างไรดีครับฟังธรรมไปสิฟังธรรมไปฟังเทศของครูบาอาจารย์ต่างๆ เราจะพระสุปฏิปันโนอดีที่สุดสมัย น, นี้มีพระเยอะแยะไปหมดไม่รู้โนบ้างไหมเปล่าก็ไม่รู้ไปฟังพระตายดีกว่าพระที่กระดูกกายเป็นพระธาตุอันนั้นนะของแท้ของจริงฟังไปฟังแล้วจะเกิดกำลังใจขึ้นมาคำถามจากคุณทีเคคะ่ะหนูเห็นสุขแล้วรู้สึกกลัวควรจะพัฒนาจิตตนอย่างไรคะไม่กลัวทาไมสุขเวลาสุขไม่มีใครกลัว <believable. S 2> กลัวทุกกันมากกว่าถ้ากลัวสุขก็มัแปลว่าก็ไม่รู้ความหมายวย่ากลัวยังไงกลัวสุขก็อย่าไปอยู่กับสุขเลยก็ไปอยู่กับทุกแทนเลยก็ <im ans> ถ้ามันสุขก็หาอะไรมาทำให้มันหายไปเลย <im ans> แต่ความจริงไม่ควรเนี่ยควรจะฝึกจิตให้อยู่กับสุขก็ได้ทุกก็ได้อย่าไปกลัวทั้งสุกอย่าไปกลัวทั้งทุกเพราะเราไปห้ามมันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้ ขอให้เราดูสุขทุกข์เหมือนกับดินฟ้าอากาศไปมันสับมันสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สุขทุกข์มันก็เป็นแบบเดียวกันแต่เราอยู่กับมันได้สุขขนาดไหนก็อยู่กับมันได้ทุกข์ขนาดไหนก็อยู่กับมันได้ถ้าเราฝึกจิตของเราให้รู้จักอยู่เฉยๆไปฝึกสติไปฝึกสมาธิกันเถิด แล้วเราก็จะสามารถที่จะทาใจให้เฉยให้อยู่กับสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปรักไปชังไปกลัวไปหลงคำถามต่อไปจากคุณพีอมค่ะพระสอนไม่ให้คิดถึงเงินทองแต่คิดว่าจะไม่มีเงินรักษาพ่อแม่หรือตัวเองเวลาป่วยหรือสําหรับลูกเรียนต่างจากพระอาพาธที่พระที่วัดช่วยกัน ช่วยกันมีเงินญาติโยมบริจาคให้ใช้ในยามป่วยแต่เราเป็นหญิงจะไม่มีแบบนั้นควรจะใช้ปัญญาพิจารณาอย่างไรคะก็รักษาไปเท่าที่เราจะมีกําลังรักษาไปมีเงินมากน้อยเท่าไหร่ก็รักษาไปตามกําลังของเรา mm. มีมากก็ตายเหมือนกันมีน้อยก็ตายเหมือนกัน mm. เพียงแต่ว่ามันช้าหรือเร็วต่างกันท่านั้นเอง แทนที่จะท่านมีเงินมากแทนที่จะตายปีนี้ก็อาจจะไปตายปีหน้าแต่มันก็ผลก็เท่ากันนั้นก็ทำไปตามฐานะตามกำลังของเราไปทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมของของพ่อของแม่ไปก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณดิศยาคะ่ะเมื่อสักครู่ได้ยินพระอาจารย์สอนพระภิกษุว่าอย่าทําอะไรเกินกําลังเพราะจะทําให้ทอ้อแท้เบื่อหน่ายเราจะสังเกตได้อย่างไรคะว่าทําเกินกําลังจริงๆหรือกิเลสกาลังหลอกเราคะ่ะก็เวลาทอ้อแท้เบื่อหน่ายก็ถือว่ามันมันกำลังเกินกําลังของเราถ้ายังไม่ทอ้อแท้เบื่อหน่ายก็ยังไม่มันยังไม่เกินกําลังทําไป เกิเลสมันก็จะเหล่าว่าทำมากเกินไปแล้วเอ้เอแล้วอันนี้อย่าไปฟังมันเบ้ไม่เบ้ถ้าทําได้ทําไปเพราะบารมีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนมีพลังมากทําได้มากจะไปเปรียบเทียบกับอีกค น, มนไม่ได้ถ้าอยากจะเปรียบไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าคนเดียวพอเราเวอ้อกับพระพุทธเจ้าหรือยังเทายันเะรถือว่าเรายังไม่ไม่สุดต่อ คำถามจากคุณโฟค่คะพระอาจารย์ครับเมื่อเกิดความสงบแล้ววิญญาณทั้งห้าจ ะ, จะถูก ด, ดึงเข้ากลับเข้าสู่จิตเพราะเหตุนี้จึงทําให้เกิดอาการเหมือนตกหลุมตกบ่อใช่ไหมครับเป็นอันตรายไหมครับถ้าเกิดกลัวกับอาการดังกล่าวจะแก้ไขอย่างไรครับไม่เป็นหรอกก็เหมือนนั่งเครื่องบินแล้วลวมันตกหลุมอาการมันก็ตกไปนะตกแล้วมันก็ หายไปเป็นความรู้สึกต้องคิดถึงผลที่ตามมาหลังจากที่มันตกเตกแล้วเบาสบายเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวคนจะอยากจะตกมากกว่าตกแล้วมันเบามันสบายมันสุขหนอสุขหนอเลย คำถามต่อไปจากคุณพงษ์สิบแปดค่ะผมวางแผนที่จะเรียนแบบพระอาจารย์โดยการอยู่คนเดียวภาวนาคนเดียวไม่ทำงานหาเงินแต่ว่าผมมีทุนรอนที่อยู่ได้แค่สามเดือนเท่านั้นเลยคิดว่าจะบวชเลยแบบนี้จะดีไหมครับได้ถ้าบวชได้ก็ดีนยะจะได้ไม่มีปัญห า, าเกีเรื่องเงินทองเมืองไทยเองนี้เป็นเมืองที่ ดีที่สุดในโลกสำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติเพื่อมากผล น, ผนิพพานมีวัดมีมีญาติโยมสนับสนุนกันอย่างโน้นหลามขอให้อยากจะปฏิบัติเท่านั้นเถิดรับรองได้ว่าไม่มีที่ไหนดีกว่าเมืองไทยขนาดฝรั่งต่างชาติอยู่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจยังต้องมาพึ่ง ลมโพล่มไสของเมืองไทยเพราะเขาไม่มีสถานที่ไม่มีศาสนาไม่มีผู้สนับสนุนในการปฏิบัติเหมือนเหมือนในประเทศไทยนถ้าเรามีความต้องการจะปฏิบัติแล้วก็เอาเลยไปรออะไรครันไม่มีอะไรที่จดีเท่ากับการได้บวช น, น ะ, ะการกระทําที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตนี้ก็คือการบวชนี่เเพราะผลที่เราจะได้รับก็คือผลที่สุดยอดของของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ การได้บวชนี้ถือว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองคำถามต่อไปจากคุณพีเอมค่ะนั่งสมาธิรูนไปหมดครับพอพุทโธไม่สงบแป๊บเดียวก็เปลี่ยนเป็นดูลมพอไม่สงบสักทีก็เปลี่ยนเป็นทั้งดูลมทั้งพุทโธคืออยาก คืออยากจิตแยกจากกายเหมือนตอนอายุ12ปีที่ทำได้เพราะมันสงบมากทราบดีว่าไม่ควรอยากแต่จะทำอย่างไรดีคะก็ น, นั่นแ้อย่าไปคิดถึงมันเลยเวลานั่งก็อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตก็คือผลที่จะเกิดขึ้นนั่งแล้วไม่สงบทักทีไม่สงบทักทีนี่คิดถึงอนาคตนะหรือย้อนกลับไปเมื่อก่อนสงบทำไมวันนี้ไม่สงบ น, นี้ก็คิดไปอดีต อย่าไปให้มีความคิดเหล่านี้ดูลมก็ดูไปเฉยๆเป็นเหมือนคนซื่อบือ้อพุโทโธพุโทโธไปดูลมไปนั่นะคนปฏิบัติธรรมก้าวหน้าต้องซื่อบือ้อเวลานั่งสมาธิคิดมากเก่งมากวิเคราะห์วิจารณ์นี้วิตกวคุณโอ้ไปไม่ถึงไหนนะต้องหยุดคิดนะ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณแอบโซเลอร์ค่ะ บุญกุศลแปลสภาพเป็นปัญญาบาปแปลสภาพเป็นความโง่เขลาใช่ไหมเจ้าคะไม่บาปเกิดจากความโง่เขลาบุญกุศลเกิดจากปัญญาเกิดจากความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญนี่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจเห็นบาปเป็นโทษต่อชีวิตจิตใจเห็นบาปเป็นเหมือนยาพิษสาหรับร่างกายเห็นบุญเป็นเหมือนกับอาหารของร่างกายเห็นบุญเป็นปัญญาเป็นบ่อเกิดของบุญ ต่างๆ อ, อาวิชชาความโง่เขลาอนี้เป็นบ่อกเกิดของการกระทำบาปต่างๆคำถาม ต, ต่อไปจะคุณ<อ>จวินทิศ ค, ค่ะกลับเีไนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเช้านี้นั่งสมาธิแล้วจิตรวมมาที่หน้าผากไวมากค่ะถูกต้องหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีขอความกรุณาพระอาจารย์แนะนําด้วยเจ้าค่ะถ้ามันรวมแล้วมันนื่งสงบก็ก็ใช้ได้มีความสงบหรือเปล่ามันนื่งหรือเปล่า มันเบาหรือเปล่าถ้ามันยังไม่มีก็นั่งต่อไปดูลมต่อไปถ้าดูลมหรือพุโทโธก็พุโทโธต่อไปแต่ความจริงเวลาสงบมันไม่น่าจะเป็นสงบที่หน้าผักเนะี่ยมันควรจะอยู่แถวกลาง อ, อกมากกว่าหรือไม่มีมันไม่มีสถานที่เหาความจริงความสงบเนี่เพงดาจิตเราอาจจะไปผูกว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้เอง คัามริงถ้ามันเป็นของจริงแล้วมันไม่ผูกอ่ะมันไม่รู้มันไม่สนใจว่าอยู่ตรงไหนความสงบเวลามันเกิดความสงบคำถามจากคุณแนตตี้ค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะยมอยากทราบว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่อย่างไรวัดตรงไหนและควรทําอย่างไรต่อไปค่ะข้อหนึ่งก็คือเราปฏิบัติต่อเ น, นื่องก็ปะ่ะก็ก้าวหน้าแล้วโอกาอเราไม่ได้ปฏิบัติตอนนี้เราปฏิบัติ แล้วการปฏิบัติของเราก็ไม่หยุดไม่ลด ถ, ถอยน้อยลงตอนต้นดูที่เหตุก่อนว่าก้าวหน้าหรือเปล่าเพราะการจะก้าวหน้านี้มันต้องก้าวหน้าที่เหตุก่อนแล้วผลมันจะก้าวตามมาต่อไปต้องดูว่าเราปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเมื่อก่อนเริ่มต้นปฏิบัติแค่สิบห้านาทีตอนนี้เราปฏิบัติ ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนอันนี้ก็เรียกว่าเราเก้าหน้านะแล้วแล้วขั้นต่อไปก็ดูผลที่ได้จากการปฏิบัติว่าใจเราเย็นขึ้นหรือเปล่าใจของเราโลกกรนลงน้อยลงไปหรือเปล่าอารมณ์วุ่นวาบน้อยลงไปหรือเปล่าอะไรทำนองนี้มันก็จะเป็นเครื่องวัดผลของการปฏิบัติของเราได้คาถามต่อไปจะคุณพุทโธค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ บางครั้งเวลาบริกรรพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆจิตก็สงบดีแต่บางครั้งบริกรรพุโทโธพุธโทโธ ร, รัวรัวรัวรัวจิตใจกับร้อนขึ้นมาโมโหขึ้นมาแทนเกิดจากอะไรครับก็อาจจะเกิดจากความอยากอยากให้มันสงบมองว่ไม่สงบมันก็เลยโมโหขึ้นมาได้ก็อย่าไปอยากที่รัวรวนี้เพราะอยากจะให้มันสงบเรวหรือเปล่านี่ หรือว่าบางทีมันมันรัวแล้วมันไม่ได้ผลก็ลองอย่าไปร้วให้มันเร็วสิก็เอาธรรมดาธรรมดาพุทโธพุทโธไปตามกําลังของเราใจเย็นๆการกุ๊ลมไม่ได้สร้างขึ้นภา ย, ภายในวันเดียวสมาธิไม่เกิดขึ้นจากการรัวพุทโธครั้งเดียวคําคำถามต่อไปจากคุณแอปเซลเลอร์ค่ะ บางทีพูดน้อยเกินไปไม่ค่อยมีเพื่อนเจ้าค่ะแต่เขาพูดกันเรื่องรายสาระส่วนใหญ่เช่นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องความรักแฟนบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรสรรหาคําพูดไม่ถูกเจ้าค่ะจะพูดเรื่องรายสาระก็เหมือนเพื่อเชื่อมความเป็นมิตรก็ไม่อยากทาเจ้าค่ะควรมีทักษะการพูดกับคนอื่นอย่างไรเจ้าคะให้มีเพื่อนมากแบบไม่อยากพูดร้สาระเหลวไหลเจ้าค่ะ มีเพื่อนมากแต่เป็นเพื่อนที่ไร้สาระก็ช่วยอย่ามีดีกว่าไม่อย่าดูจำนวนนะอย่าให้อย่าดูปริมาณให้ดูคุณภาพมีเพื่อนคนเดียวที่ดีที่สุดมีพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนนี่ดีกว่ามีเพื่อนไร้สาระเป็นหมื่นเป็นแสนมีคนกดไลค์เป็นหมื่นเป็นแส น, ม, น, น, ม, น, น, แสนมีพระพุทธเจ้ากดไลคคนเดียวพอ <laughs> มันถึงสอนบอกให้คบบัณฑิตอย่าไปคบคนพานคนพานก็คือคนโง่คนไร้สาระให้คบบัณฑิตคนฉลาดคนที่มีแต่สาระประโยชน์ต่างๆคำถามต่อไปคะ่ะอยากทราบว่าถ้าเราไปะระลึกถึงบาปบาปจะเพิ่มมากขึ้นแต่ลักษณะที่เราแค่ท่องในใจว่าเราทำบาปอะไรไว้เราจะบาปไหมเจ้าคะ ไม่หลอกบาปที่ทำไว้มันไม่เพิ่มขึ้นจากการไปคิดถึงมันความคิดไม่ได้ไปทำให้เกิดผลต่อบาปหรือบุญที่ได้ทำแล้วคิดถึงบุญที่ทำไว้มันก็ไม่ได้เพิ่มบุญให้เกิดขึ้นมากขึ้นมันอยู่ที่คิดแล้วไปทำใหม่คิดแล้วก็ไปทำบาปใหม่บาปก็จะเพิ่มขึ้นคิดแล้วไปทำบุญใหม่บุญมันก็เพิ่มขึ้น ฉะน้นต้องคอยดูความคิดถ้ามันคิดจะไปทําบาปก็ห้ามมันเสียอย่าปล่อยให้มันคิดไปทางนั้นให้มันคิดไปในทางบุญถ้ามันคิดไปทางบุญก็ปล่อยมันคิดไปปล่อยมันพาไปไปทําบุญดีไหมไปเลยวันไหนดีทําอะไรดีไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายามันไม่ไปดีกว่าบาปมันก็จะไม่เพิ่มบุญมันก็จะเพิ่ม คำถามต่อไปค่ะบางครั้งตั้งใจจะไม่ทําบาปแล้วเจ้าค่ะแต่ชอบมีเรื่องอะไรให้ทําบาปบ่อยมากเจ้าค่ะเช่นบางครั้งเผลอทําให้บิดามารดาเจ็บตัวแบบไม่ตั้งใจและทําให้ท่านตกใจจะควรจะทําอย่างไรดีเจ้าคะก็มันฝึกสติคิดให้ดีก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําอะไรการพูดของเราการกระทําของเราจะไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่ ต้องคิดก่อนก่อนพูดคิดก่อนทําอถ้าไม่คิดก่อนพูดคิดทําไปตามอารมณ์มันก็มีผลอย่างนี้ตามมาเห็นต้องหัดฝึกวิธีวิธีวิธีกระทําใหม่ต้องคิดก่อนคิดค่าควรก่อนยับยั้งช่างตัวก่อนว่ามีคนมีโทษอย่างไรแล้วค่อยทําไปถ้าเป็นโทษก็อย่าไปทําเฉยเฉยไว้ ค ำ, e> คำถามต่อไปจะคุณปรีชาค่ะพระอาจาร ย, ย nice. ์ครับถ้าจิตกำลังรวมแล้วมีคนมากวนเช่นเคาะประตูหรือเรียกเสียงดังจะเป็นอันตรายอะไรไหมครับหรือควรเนียกหลีกเลี่ยงการปฏิบัติช่วงนี้ช่วงนั้นครับไม่เป็นอันตรายหรอมันเพียงแต่ม yani> ันทาให้การปฏิบัติเราล้มเหลวกำลังเข้าได้เข้าเข็มก็มีใครมานี่เขาถึงบอกให้ไปปีกวิเวก เวลาจะภาวนานี่ต้องไปอยู่คนเดียวอย่าไปคุก ค, คีกันอยาคุก ค, คีกันเดี๋ยวคนนั้นคนนี้อยากจะถามเราอยากได้นุ่มอยากได้นี่ ก, นก็มาเคาะประตูเรียกเราเพมันก็จะทําให้การปฏิบัติของเราเขาดตอนได้การปฏิบัติอยากให้มันได้ผลดีก็ต้องไปปีกวิเวไปอยู่ที่ไม่มีใครมารบ ก, กวนเรา ถึงแม้จะอยู่ในวัดด้วยกันก็ต่างคนต่างรู้มารยาทว่าใครอยู่ในกุฏิแล้วก็จะไม่ไปรบกวนใครนจะไม่ไปเคาะประตูเรียกอะไรของมันช่วงนี้คำถามหมดค่ะหมนแล้วเลยโอเคการปฏิบัติธรรมนี้มันต้องไม่คุกคีกันไม่สังคมกันเพราะการสังคมนี้มันจะทําให้มีการตอบโต้กัน มีการปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะดีและไม่ดีแล้วก็จะทำให้การภาวนาขาดตอนเพราะจะต้องมาเกณใจกันมารับแขกรับคนกันมเลยถ้าไม่รับเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราหย่งบ้างหาว่าเราไม่มีน้าใจบ้างอะไรต่างดังนักาปัญหานี้ก็ไปอยู่ที่ที่เขาไม่คุกคีกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน เหมือนกับไม่รู้จักกันเหมือนกับโกรธกันนวัดปฏิบัตินี้เป็นเหมือนพระนี่อยู่ด้วยกันเหมือนไม่รู้จักกันหรือโกรธกันเวลาามาทํำกิจร่วมกันก็ไม่คุยกันไม่ทักทายกันไม่ถามสารทักทุกข์สุขดิบอะไรใครมีหน้าที่ทําอะไรก็ทํากันไปทําเสร็จก็แยกตัวกลับไปอยู่ที่ภักของตนนี่คือลักษณะของวงการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เขาถึงก้าวหน้ากันถ้าไปอยู่ในวงการที่ยังข่วงเรื่อง น้ำใจยังของกังวลถึงความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นอยู่ก็ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างไม่มีอะไรมามารบกวนต้องหัวคอยเอาอกเอใจคนนั้นคนนี้อยู่ดยเดี๋ยวกลัวเขจะเสียใจบ้างเดี๋ยวกัวจะว่าเราไม่มีน้ำใจบ้างสุดแท้แต่ถ้ามีความคิดเหล่านี้อยู่ก็ก็ไม่มีวันที่จะไปไหนได้ ต้องตัดต้องตัดการสัมพันธ์ทั้งหมดคิดว่าตายจากการดีที่สุดเพื่อเกิดอุบัติเหตุเดินข้ามถนนถูกรถชนตายก็เอาร่างกายเราไปวัดไปโกนหัวให้เราไปอยู่วัดรองลองอาญาก่อนยังไม่เข้าเมนแต่ถือว่าตายจากญาติพี่น้องใครทั้งหมดแล้วะได้ไม่ต้องมามารบกวนกัน ดูว่าพุทธเจ้าตัวอย่างหกปีไม่เคยมีใครในวงังมาเยี่ยมก็ไม่รู้ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนวนัวอย่างมีมค้ยคำถามค่ะ บางครั้งเพื่อนชอบทําเราเป็นอากาศไม่ค่อยสนใจเราเลยเจ้าค่ะเพื่อนไม่ค่อยทักทายเราก็พยายามปรับปรุงตัวเองในสิ่งที่เราบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงเสมอแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่สนใจเราก็ให้เขาสนใจทําไมเ่ยเขาไม่สนใจเราก็ดีเราก็จะได้สบายไม่ต้องคอยมายุ่งกับเขาเขาสนใจเราเดี๋ยวเขาก็มาขอเราทํานู่นทํานี่ให้เขาบ้างอะไรบ้าง พอเราไม่ทำเดี๋ยวก็เกิดเรื่องกันขึ้นมาอีกเนี่ยเขาไม่สนใจก็ดีเลยต่างคนต่างอยู่ไปทําไมต้องมีให้มีคนมาสนใจเราด้วยสนใจเราเร า, เราจะได้อะไรจากความสนใจของเขามันก็ไม่ได้อะไรชูชชไม่มีใครมาสนใจเราแล้วปล่อยให้เราปฏิบัติธรรมอย่างนี้จะดีกว่าเพราะการปฏิบัติธรรมนี้จะให้ความสุขกับเราจะให้จิตใจของเราจเจริญขึ้น มีความสุขมากขึ้นดีกว่ามาให้เขาสนใจเราแล้วก็มาวุ่นวายไปกับเขาดีไม่ดีเดี๋ยวก็มาทะเลาะปปวิวาสกันอีกคําถามค่ะขอกราบเรียนถามว่าคุณสมบัติของบัณฑิตคืออะไรคะบัณฑิตก็คือคนฉลาดคนดีเนี่ยฉลาดก็รู้รู้เหตุรู้ผลรู้บุคคลรู้สังคมรู้ตนรู้ประมาณ รูปการาเทศะนะเป็นคนฉลาดต้องรู้สิ่งเหล่า น, นี้แล้วก็เป็นคนดีก็คือไม่กระทำอะไรที่ไปทำให้ความเสียหายหกับผู้อื่นทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่เกิดลักษณะของคนดีของบัณฑิตนี่หมดแล้วใช่ไหมโอเคก็พอดีกับเวลา